พุทธการมีหมอท่านหนึ่งซึ่งเรียกได้ว่าเป็นหมอเทวดาคือท่านเชโยกะโกมาดาภัทรซึ่งเป็นหมอประจํำตัวของพระพุทธเจ้าก็เรืเราว่าตอนที่ยังหนุ่มเนี่ยหมชิวุกไปเรียน ที่ชาแป้งที่สำนักตกกากศิลาหน้าที่เมือนตกกากศิลายอดสำนักของอาจารย์ที่สาตาโมตักกศิลานี่อยู่ในเขตปากิสถานในปัจจุบันนะหมอช่ ว, วก็เรียนเดือนานถึงเจ็ดปี <c oughs> ก็เรียนจริงจังมาก คนหนึ่งก็ถามอาจารย์ว่าตนเองเนี่ยเรียนไปถึงขั้นไหนแล้วใกล้จะจบหรือยังอาจารย์ก็เลยทดสอบความรู้ในะการให้หอชื้อเนี่ยไปสำรวจต้นมาแนละพืพัพนทั้งหลายในะมสมัยหนึ่งโยธนะระเรมือง จากิลาให้ดูว่ามีต้นไม้หรือพืชพันธุ์ชนิดใดบ้างที่ไม่มีประโยชน์ในการทำเป็นยาหอเจ้า ก, ก็ใช้เวลาอยู่นานนะเพราะว่าต้นไม้พืชพันธุ์สารพัดมันมีต้องมาหยุดต้นไม้ล้มลุก่วมทั้งัชพืชใช้เวลาอยู่นานนะ ท้ายเรากลับมารายงานอาจารย์ว่าไม่พบเลยนะพือพืชต้นไม้ที่เอามาใช้ประโยชน์ทําเป็นยานไม่ได้แม้แต่เกาจะพืชแม้แต่พืชที่มีพิษเนี่ยบางส่วนของพืชนั้นก็เอามาทําเป็นยาได้อาจารย์ก็เลยบอกว่าเนี่ยเธอสมเร็จการศึกษาแนละ้วอนาคตนะ คือทั้งหลายที่จริงคงจะไม่ใช่รอบเมืองตากศรราิลาแต่จะรอบทั้งโลกไม่จะสั่งต้อยหรือว่าดูน่ากลัวนะมีพิษเพียงใดก็เอามาใช้ทําเป็นยาได้คือมีประโยชน์ทั้งนั้นไม่ใช่แค่มุงบังหลังคาได้แต่เยอะยารักษาโรคได้ ด, ด้วยก็ยไปแล้วเนี่ย ทุกสิ่งทุกอย่างนะประสบการณ์ทุกชนิดที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยไม่ว่าดีหรือร้ายมันก็มีประโยชน์นะไม่ทางใดก็ทางหนึ่งมันอยู่ที่ว่าเราจะมองเด็ดหรือปล่าบางครั้งก็ต้องใช้เวลานะเหการณอบางอย่างที่เคยสร้างความเจ็บปวดให้กับเราเมื่อเวลาผ่านไป ย้อนกลับมามองใหม่นี้กลับเป็นคุณค่าอาจารประมวลเพียงจันเนี่ยเคยเล่าว่าสมัยที่ไปเรียนอินเดียใช้เวลานานสิบกว่าปีตั้งแต่ปริญาโทจบปริญญาเีกก่อนที่จะไปอาจารที่ถึงใหม่ประสบคารณ์อินเดียนี่เรียกว่าเจ็บปวดขมคืนมากจนบ า, างครั้งนี้อยากจะร้องไห้ แต่เมื่อผ่านไปยี่สิบปีเมอเทนเทียกลับมารบทนประสบการณ์ที่อินเดียครั้งนั้นเนี่ย <c oughs> กับมีแต่ความทึกงทราบซึ่งประทับใจและขอบคุณ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> ประสบการณ์เหล่านั้ น, นมันได้มีส่วนก่อนรูปก่อนร่างมาสร้าง คามรู้ความเข้าใจใช้แต่เพิ่มมากมายเมื่อเราแต่วิชาความรู้มันไม่ทนเก้มแขงแต่ไม่ท่านเข้เข า, ขขาขขขขใจชีวิตมากประสบการณ์ในดีเปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่ว่ามุมวองของเราเปลี่ยนแปลงได้เราเปลี่ยนอดีตไม่ได้แต่อดีตที่เคยทําให้ใจทุกข์เจ็บปวดทับแขน ้องตบกายเป็นอดีต ท, ที่ทราบซึ้งประทับใจมันไม่ใช้แค่เหตุการณ์ในอดีตนะที่เจ็บปวดบางทีเหตุการณ์ที่เป็นความพลาดพลาดสูญเสียเมื่อเราผ่านไปเราจะขอบคุณเหตุการณ์เหล่านั้นก็ได้น่พี่มีพี่คนหนึ่งเขาเล่าว่า หลายปีก่อนน่นลูกชายอายุสิบห้าาขอเธอไปเรียนต่อที่ประเทศอินเดียเธอเป็นเห็นว่าลูกเนี่ยเป็นคนที่มีความรับผิดชอบเองังไม่ดเกเรสามารถจะพึ่งตัวเองได้จะไปอินเดีย น, นี่ก็น่าจะได้เรียนรู้ หลายอยนอกจากภาษาอังกฤษแล้วก็อาจจะเรียนรู้เกี่ยวกับท่าทางออกไปก็น่าจะดีก็อนุญาตให้ลูกไปลองดูไปเองได้ไม่กี่เดือนครเกอุบติเหตุจมน้ำตายเธอเสียใจมากแล้วก็รู้สุขผิดในใจมีกระโทษตัวเองนะว่าทำให้ลูกตาย พะถ้าเธอมาเนี่ยใหู้กตายลูก็ยังมีชีวิตยอยู่ยเธอควรลงโทษตัวเองรู้สึกผิดแค่เศร้าเสียใจว่รารูปตายนี้ก็หนักนะยิ่งรู้สึกผิดเพวยม่็มีส่วนหรือเป็นเหตุทำให้รูปตายมันก็ยิ่งทุกเข้าไปอีกะก็เรียกว่าแทอจะไม่เป็นผู้เป็นคน ทำยันไงก็ไม่หายมีวันหนึ่งเพื่อนบางแนะนำว่าให้ลองไปปฏิบัติธรรมดูเพอก็ไม่ได้สนใจเรื่องนี้ทั้งแต่เดิมนะแต่ว่าชีวิตมันมีทางออกว่าทำยังไงทำเท่าไหร่ก็ความสุขไม่ดีขึ้นก็เล ไ, ไ, ไปข้อข้ อ, ขอปฏิบัติธรรมไม่ได้ฟังครูบาอาจารย์ท่านได้พูดถึง ่งของชีวิตก็มันไม่เที่ยวมันไม่แน่นอนความตายก็เป็นธรรมชาของทุกทีวิ ต, บ า, าตาาบางคนอายุยืนตายช้าบางคนอายุสั้นตายเร็วอันนี้มันก็เป็นเรื่องของกรรมของแต่ละคนแล้วกรรมของใครก็ของคนคนนั้นแล้วเขาแค่ไหนก็ เนี่ยจะช่วยเขาได้เธอก็เริ่มทำใจนะรับรู้ยอมรับความตายของลูกแต่วไม่มีความสุดติดเกิดขึ้นแต่การเจระสติมันก็ทำให้เธอรับมือกับความสุดติดได้คือการที่กดข่มมันเธอก็เพียงแต่รู้มันแค่รู้เฉย แค่รู้ทันพอมีสติรู้มันก็นตักไปเกิดขึ้นมาก็รู้เฉยๆมันก็นตักไปแลว้วค่อยๆเลือนหายไปใจจะต้องมีความสุขคว า, ส, าวสุขเพราะว่าสมาธิเพื่อสุขเพราะความสงบในจิตใจสุขเพราะว่าความรู้สึกที่ไม่มารบกวนทางความ มันเป็นความสุขสงบที่เธอไม่เคยพบมาก่อนสงบกว่าตอนที่ลูกชายยัอยู่เล็กๆเธอก็ถึงกับอุทานในใจในขอบคุณความตายของลูกที่ทําให้แม่ได้พบธรรมะได้มาพบกับชีวิตใหม่ถึงกับพูดว่าเนี่ยความตายของลูกป็นสิ่งคุ้มค่ามากสำหรับนม่ทุกคนนะความตายของลูกนี่มันมัน มันที่งใหญ่มหาศาล่ามันก็รามันไม่มีอะไรที่จะมาเทียบเท่าได้แต่ว่าเธอก็เห็นว่าความตาของรูกนี่มันก็มีคุณค่าก็าทำให้เธอได้กามาพบธรรมได้มาพบสิงที่ปรสริฐ แ, แต่ก่อนนี่ด้ยถึงความตางของลูกมันเจ็บปวดมากไม่อยากจะนี้ แต่ตอนหลังนี่ยนึกถึงความตาองลูกจิตใจก็ไม่ได้เป็นทุกข์ร้อนเจ็บปวดติดต่อไปประสบการณ์เหมือนเดิมมัอนยังอดีตเหตุการณ์ในอดีตยังเหมือนเดิมเปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่ความสึกเปลี่ยนไปก็อมองเห็นมันในมุมใหม่คือเห็นคุณค่าของมันแล้วความเจ็บปวดก็เหมือนกันนะความเจ็บปวดเนี่ย ว่าแต่ก็มีประโยชน์อยู่ที่ว่าเราจะมองเห็นหรือเปล่าแค่เรามองเห็นคุณค่าเห็นประโยชน์ความเจ็บป่วยเนี่ยมันก็ทําให้เรายอมรับมันได้เมื่อวานก็ได้พูดไปแล้วว่าคือความทุกข์ใจเนี่เยเกิดจากการที่ใจไม่ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นเช่นความเจ็บป่วยเช่นมะเร็งแต่ในที่ที่ยอมรับมันทางใจก็สมงบ และเหตุผลที่ทำให้คนเรายอมรับเหตุการณ์ที่ร้ายอย่า ง, งเช่นความเจ็บป่วยได้เนี่ยเพราะหนึ่งเห็นว่ามันเป็นธรรมดาเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติเป็นเช่นนั้นเองหรือว่าเห็นว่าปฏิเสธภักษยมีแต่ทำให้ทุกข์เพิ่มขึ้น ถึงมิชนะก็เพราะเห็นว่ามันมีประโยชน์มันมีคุณค่าจึงยอมรับกันได้มีเพียงคนหนึ่งนะเธอชื่อใหม่จะเป็นมะเร็งที่จรงก่อนจะเป็นมะเร็งเนี่ยเธอเป็นโรคถึงเศร้าแล้วก็แย่ความถึงแย่มนาะกพอมาโรคถึงเป็นมะเร็งเนี่ยแทนที่จะรู้สึก นักกว่าเดิมเธอรู้สึกดีกว่าที่เคยเป็นเธอบอมะเร็งเนี่ยทำให้เธอรู้จักตัวเองและทำให้เราทาให้เธอ้รับมือกับโลกได้ดีขึ้นทำให้เธอมีความสุขเธอบอกเธอไม่กลัวมะเร็งเลยถ้าเธอไม่เป็นมะเร็งเธอก็ตายไปแล้ว คือตายเพราะโรคซึมเราโรคซึมเศร้ามันก็นตายโดนไม่รู้ตัวแล้ก็เธอเคยยงถ้าตัวตายเพราะโรคซึมเศรามาสามครั้งแล้วแต่พเป็นมะเร็งปุ๊บนี่มันหายไปเลยนะไปหาหมอเนี่ยหมอบอกว่าเนี่ยตั้งแต่เธอเธิเป็นมะเร็งเนี่ยทัศนคติการมองกร่บวนการมองชีวิตเธอเปลี่ยนเลยมันเปลี่ยนไปทางที่ดีขึ้น หายจายจโกโรคสุมเศร้าเลยเธอถึงไม่ทุกนะกับโรคมะเร็งสามารถอยู่กับมะเร็งได้มีความสุขเพราะจะเห็นว่ามันมีประโยชน์มันมีคุณค่ามีใ น, นมูคนในนยี่สิบเอ็เป็นลูคีเมียทีแรกก็ทุกมากนะ ตออหลังก็ใจก็กลับมาเป็นปกติให้บอกว่าเนี่ยมะเเนียมันนำสิ่งดีๆให้กับชีวิตแกในหลายอย่างหนึ่งก็คือทาให้ได้รู้จักพุทธศาสนาดีขึ้นแต่ก่อนก็อาจจะเป็นนักพุทธศาสนาเ้ื่องควา ม, มงมงาย เกี่ย ว, วกัชีวิตนะแต่พอป่วยแนละ้วนอนโรงียบาลมีเวลาว่างมีคนออาหนังสือธรรมะไาห้อ่านก็ลองอ่านดูวกเพบว่าเช่นธรรมะมันมีนมคุณค่ามากนะมันช่วยทำให้รับมือกนะัอบความเจ็บป่วยได้ประการที่สองเรา ว, ว่ามันทำให้ได้ เห็นความรักผันบริสุทธิ์ของพ่อแมแต่ตอนไม่ป่วยนี่ก็ค่อนข้างเหินห่างกันนะพ่อแม่ลูกตามภาษาคนกรุงเทพยิยงลูกมาเรียนหอพักด้วยแล้วนี่ยิ่งห่างก็เป็งแต่พอป่วยนี่แม่พ่อก็อมาดูแลใกล้ชิดเห็นความรักบริสุทธิ์แล้นี้มันก็น่าคิดนะคนกรุงเทพซอยนี่จะรู้ว่าพ่อแม่รักหรือเห็นความรู้สุกธ์ของ พ, อพ่อแม่ก็ต้ อ, อเติ่นป่วย ถาไม่ป่วยก็ไม่เห็นนะทีจรนไม่น่าจะรอให้ป่วยกันนะพี่จะเห็นแต่พ็ยงดีนะพี่เมื่อป่วยแล้วก็เป็นโอกาสที่ได้เห็นความรของพ่อแม่ทราบุนมใจประการต่อมาคือมะเร็งมันทำให้เขาได้มีเวลาอ่านหนังสือแล้วก็มีเวลาเดือดคิดมากขึ้นแต่ว่าถ้าไม่เป็นมะเร็งเนี่ยนะก็คงมันก็หนุนชายนุทั่วไปอยู่หอครับ ตื่นบ่ายสามรอเพื่อนมาชวนกินเล้ยงกินเสร็จหลับแล้ว ก, ก็ตื่นชีวิตไม่มีคุณค่าข้าวตัว <c oughs> มะเร็งเนี้ยก็คงใช้ชีวิตอย่าไม่ได้ถึงคนอื่นไม่มองคนรอบข้างใช้ชีวิตแบบประมาทไม่ระมัดระวังแต่ทั้งหมนที้เปลี่ยนไปนะเมื่อเรียนเป็นมะเร็งนั้นก็ทําให้ยอมรับมะเร็งได้แล้วก็เดีอยวกับมาเร็งยังมีความสุข จะบอกว่าคนเราจเจอโรคที่มันร้ายกว่ามะเรงก็ได้นะแต่ถ้ามองเป็นเหตุคุณค่าของมันเนี่ยก็ยังอยู่ของมันได้มีผู้หญคนหนึ่งชื่อแพรวเธอเป็นโรคที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นคนทั่วไปเป็นโกกรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงที่ปลายกระสับโรคนี้มันไม่มียารักษานะแล้วก็มันทําให้กล้ามเนื้อส่วนต่างๆร่างกาย เ่อยๆเดทํางานบางทีเราก็เริ่มต้นที่ขาก่อนขาไม่มีแรงเป็นนักเรือมธยมไม่มีแรงขึ้นบันไดก็ใหพ่อนี่ยอุ้มหูือขี่คอขึ้นไปเดียนฉลหรับตัวเธอหนักขึ้นพ่อาอายุมากขึ้นจานี้ไม่ไหวก็ต้องเลิกเ ร, เรียนแล้วระยะนี่ยก็ ต้องนั่งรถเข็นแล้วก็นอนเตียงมือก็ทำงานไม่ค่อยได้เนแย่ก่านั้นคือเ อ, อวลาภายในเนี่ยมอนเริ่มไป่ทำงานปอดเนี่ยทำงานได้แค่ 10% บเปอร์เซายใจได้แค่ 10% คนทั่วไปถ้าถ้าเป็นแบงเรื่อยๆเนี่ยอปอไปก็จะพืนอาหารไม่ได้เที่ยวอาหารไม่ได้อาจจะทำได้แค่กระพริบตา ถ้าเธอมาถึงชะตากรรมนี้ก็ชีวิตก็ทุกข์มากโยนรอวันตายพอถึงวันทีุ่0กว่าเนี่ยมันกินมีงอนเจะถือแล้วก็ลำบัตรฉนวนนึงนะป้านี่วอ่านนิยายให้ฟังถ้าเธอเกิดแรงบันดาลใจอยากเขียนนิยายห้อง ถ้าเธอก็จะเขียนด้วยปากกาก็ไม่ได้แต่ใช้คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะก็ไม่ได้บลอกบุ๊กก็ไม่ได้ก็มีแต่โทรศัพท์มือถือเธอก็จิ้มที่ระตัวที่ระตัวโดยใช้โดยงอนยิ้วนะนิ้วเธอมันจิ้มตรงตรงแรกเธอนี้นเธอมาหมดงอเธอก็ใช้ไอ้ส่วนที่หมีงอเนี่ยจิ้มแป้นพิมพ์ลงไปที่ระตัวที่ระตัวจนเขียนเป็นเล่น ตนที่เกคงจะมีความสุขเลยเขียนเสร็จขายได้ได้ค่ลิขสิทธิ์หน่อยตักายเป็นว่าสุดท้ายเนี่ยจากคนที่เป็นพายของครอบครัวกายเป็นสาวหลักของครอบครัวของที่บ้านเพราะว่ารายได้ของบ้านเธอเนี่ยก็ได้มาจากลิขสิทธิ์และขายมียายเนี่ยพอเสียชีวิตนม่ตกมาก็ได้เงินของเธอเนี่ยนะเลี้ยงที่บ้านส่งเสียน้องให้เรียนต่อ อะไรทำให้เธอเนี่ยนะเปลี่ยนไปเป็นคนละคนนอกจากการที่พบ ว, ว่าชีวิตมันมีประโยชน์นอกจากการเห็นหรือมีป้อมมาของชีวิตแล้วเนี่ยเธอก็เห็นประโยชน์ความทุกข์ด้วยเห็นประโยชน์ความเจ็บป่วยด้วยเธอพูดไม่น่าสนใจเธอว่าเนี่ยความทุกข์มันแย่แรงมากกว่าความสุขไหม ความทุกข์ ม, มาให้ใจเราฟุ้งใจเราร่องรอยนแต่ความทุกข์เนี่ยมาทําให้เราอยู่กับตัวเองอยู่กับความเป็นจริงซึ่งมันดีกว่าการที่ใจฟุ้งร่องลอยมากแต่ก่อนไม่รู้ป่วยไม่รู้อยู่ไปทําไมตอนนี้รู้ว่าอยู่นะเพื่อเทียงเขียนวิญญาจะก่อนไม่ เ, เข้ญญาใจว่าความทุกข์มัน เ, เกิดขึ้นกับเราได้ยังไงทําไมถึงทุกข์ทำไมถึงป่วยแต่ตอนนี้เห็นประโยชน์ของมันนะ ก็ยบความเจปวดอยู่ความทุกข์ที่ไม่มีวันเยียวยาได้แต่มันกลายเป็นแค่ความทุกข์กายนะสนใจไม่ทุกข์แล้วก็ยอมรับมันได้มันก็คนที่ <S 2> <S 2> <S 2> เป็นอะรหลายคนเนี่ยแม้เขาะจะมีทุกข์เว็นธนามากแต่ว่า เขาอยู่ประมาณได้เพราะเขาเห็นประโยชน์ของมันคนเขาบอกว่าเนี่ยขอบคุณมาเรงที่ทำให้เนี่พบธรรมะหรือบางทีเขาพว่โชคดีที่เป็นมาเรงในการมองเห็นประโยชน์เนี่ยขอมาเรงจะเรียกว่าเป็นการมองบวกก็ได้นะมองบวกคนมกักจะเข้าหมายถึงการมองว่าอนาคตจะสดใสเป็นมาเรงวันนี้วันหน้าก็อาจจะหาย อันนี้นคือมองโบตในความเข้าใจของคนจำนวนมากแต่มองโบเทเราพูดถึงใ น, นหมายถึงการมองเห็นความจริงในแง่มุมหนึ่งคือถ้าแท น, นที่จะเห็นแต่โทษเห็นการลบก็เห็นประโยชน์และคุณค่าของมั น, น, นถ้าเรามองประโยชน์มองเห็นคุณค่าได้ไม่แต่ความตายนี่การยอมรับก็จะการเป็นเรื่องงา่าย มีเพือนคนหนึ่งไงอายุ40กว่าก็เป็นมารนะเร่องเธอเธอเนคริสนะเธอก็สวดมนต์บิณฑพระเจ้าขอให้เธอได้หายไม่ใช่เพื่อตัวเธอเท่านั้นแต่เพื่อลูกด้วยลูกจะได้มีแม่ในสัมพา้าแล้วก็ลูกแล้วไม่ต้องไปเห็นแม่ทุกทรมายแต่สวดมนต์บิณวบเท่าไหร่ก็ไม่เป็นผลอาการเธอก็อแย่ลง สุดท้ายก็เข้าสูริยทายนอกจากแย่งแล้วยังมีความเจ็บปวดมากขึ้นด้วย <c oughs> เธอก็สุดผิดหวังนะที่ก็ะจะไม่ตอบสนองเสียมืองวนของเธอก็มีความรู้สุดทุกข์ดุจอากาศกรกสาฉลวนทุรายแถมยาเนี่ยหมอฟิก็เอาไม่อยู่ เอาได้เอาอยู่แค่ชั่วขณนะแค่ชั่วโงเดียว แ, แล้วก็ปวดใหม่เธ mm. อก็ทุทรทราอยู่นานทีเดียวกระสับกระส่ายแต่แล้ววันหนึ่งอยู่ๆเธอก็ดึกกระสับกระส่ายสอกขึ้นมาเพื่อนแปลกใจเราเป็นเพราะอะไรเือต่อว่าตอนนี้เราหน้าความตา ย, ยนะี่แหละ เธอเข้าใจแล้วทำไมมันถึงเกิดสิ่งนี้กับเธอเธอมองว่าเนี่ยความตายเนี่ยมันตอนนี้เป็นวิธีเดียวที่จะยุติความทุกข์ทรมานที่เกิดกับเธอได้มันเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้ลูกนะไม่ต้องเห็นเธอเจ็บปวดอีกต่อไปที่จริงคือความตายเป็นโอกาสที่ทาให้เธอได้สอนลูกถึงการตายที่ ที่ควรจะเป็นถ้าเป็นแม่เนะี่ยจะไม่อยากจะสอนลูกให้รู้ว่าคนเราควรจะตายอย่างไรันี้ก็ตามสนใจนะคนที่เป็นพ่อเป็นแม่บนะางทีเขาคิดว่าหน้าที่เราคือสอนลูกให้รู้จักการใช้ชีวิตแล้ว่าคนจะอยู่อย่างไรแต่ไม่ค่อยได้นึกถึงการ ให้ลูกรู้ว่าควรจะตายอย่างไรแต่เธอไดม้มาได้คิดว่าเนี่ยนี่คือสิ่งที่เธอเนี่ยจะทําให้กับลูกได้ในฐานะที่เป็นแม่คือเป็นแบบอย่างให้ลูกเห็นว่าตา ย, ยางสงบนั้เป็นอย่างไรเพราะเธอเป็นประโยชน์ของความตายนะเธอยรอนความตายได้ไปเล่ ยินดีอะไรก็ได้แล้วเธอก็เลยสงบความปวดยังมีอยู่นะแต่ว่าเธอสงบแล้วก็เธ อ, อยอมรับความตายได้และเธอคงยอรับความเจ็บปวดได้เลยเช่นกันแล้วสุดท้ายเธอก็ตายสงบแต่ความตายเนี่ยคนก็เห็นแต่ความเร็วร่าของมัน แต่ที่จริงมันเก็ดมาทุกอย่างมันมีประโยชน์ด้วยที่ว่าเราจะมองเห็นหรือเปล่าแนพิพม์คนนี้เน่แกเห็นแล้วนะในโอกาสที่เคยจะได้แสดงความเป็นแม่ือแสดงความรักของแม่ให้ลูกได้เห็นวยการสอนว่าควรจะตายอย่างไรเพราะฉะนั้นในการรู้จับมองเห็นประโยชน์ของสิ่งต่าง ที่แม้มันจะแย่หรือเรวร้ายแค่ไหนอันนี้มันมันมีสิ่งสาคัญมาซึ่งเรื่องนา้เรียว่าเป็นการมองบวกที่ที่มองบวกมันมีความหมายหนึ่งนะแต่มันยังมีอีกด้านหนึ่งไอ้การมองบวกนอกจากเห็นว่ามันมีประโยชน์ยังไงแล้วเนี่ยการมองว่าดีที่มันไม่แย่เปนน็นดีนี่อันนี้ก็ใช่ ีที่มันไม่เร็วราไปลยนนี้อย่างเด็ก1 4เนี่ยที่จิตอาสาเคยไปเจออาตมาพ า, านะจิตอาสาไปเยี่ยมผู้ป่วยอย่างที่คํา ม, ม่วานที่อาสาวเคยเจอเด็ก24เป็นมะเร็งที่สมองแต่เธอยิ่งแย่แต่สายโอภาสสายดีมากจิตอาสาก็แตกัจ เธอยชวนจิตอาสาวาดรูปเลยคุยกันคุกันทั้งวันหมูโชคดีนะที่ไม่ได้เป็นมะเร็งมดลูป น, นี่นะผมะเป็นมเร็งมดลูลโปวดมากเลยหนูโชคดีที่เป็นแค่มะเล็นสมองอันนี้เรือมองปวดคือมองว่ามันดีที่มันไม่ยากดังออ น, นี้ก็เหมือนกับผู้ชายคนหนึ่งนที่ชอบพาคนไป นักศึกษาเนี่ยไปทำบนถเพประโยชน์ตามท้องถิ่นธุรกันดานความันก็พานักศึกษาหนุ่มสาวเนี่ยไปบนประโยชน์ให้กับเด็กแถวแม่ห้องสอนเสร็จแล้วก็นั่งรถกลับมารถตู้นะ ที่ขากรรเนี่นางสอนนี้มันมีโค้งเยอะระหว่างที่รถี่ยเลี้ยวรถก็เกิดพลัดตกลงไปข้างล่างตอนที่พลัดตกไปแกก็ภาวนาทิฐานะขอให้ทุกคนปลอดภัยแล้วทุกคนก็ปลอดภัยจริงๆยกเว้นแกสะแทงหนักนะอมาพาดครึ่งตัวคือทั้งตานี่ยวลงไป เกิดในเวลาเห็นเขาเนี่ยก็ก็เคยตับพอนั่นเนี่ยขนาดทาบุญนี่ยังเจรอุปติที่แกก็ปลอดใจเพื่อนเพราะว่าเนี่ยก็ ก, ก็ทําบุญสนะจ๊ะจริงๆเหลือทพีงเท่านี้เนี่ยคือเหลือขึ้นตัวทําไมทําบุญนี้ก็โดนไปทั้งตัวเลยคือตาย เขาก็อยู่อยู่รับมืองนะกับความคิ ก, การได้ไมไต่ตัดเพราะว่าทำไมเราทำบุญจึงต้องมาเจอแบบนี้ทำไมทำดีไม่ได้ดีก็เพราทำดีหรือทำบนนุญนะจึงไม่ตา ย, ยาจันที่พ ก, การแค่ครึ่งอยู่ท่นี้ก็มกันมองมองแก้วเนยะมองแก้วที่มีน้ำอรู่ครึ่งเนี่งว่าคุณจะมองยังไงถ้ามองโบก็มองว่ามีน้ำอยู่ครึ่ง น, ะององงง น, นึ่งนะถ้ามองแล้บก็ นามันหายไปครึ่งหนึ่งการมองแบบนี้เนี่ยนะก็เป็นการมองที่เรียกว่าทางผู้เรียนที่สวมนสิกรณ์สายอุกกรณ์ก็มีพา้ารูปหนึ่งนะชื่อพ้าปุ่นนะ มาลาพงะ์เจ้าไปเมืองสุนาปันต์ตัดเพราะฤาจ่าก็ท้วงหรือว่าเป็นว่าเนี่ยคนสุนาปันตัดก็โหดร้ายนะเพราเขากล่าวว่าท่านท่านจะคิดอย่างไรเราบุญกาคุตตาว่าเขาเดาว่าที่เขาให้ทุกตีแล้วถ้าเขาทุกตีท่านท่านจะคิดอย่างไรเราบุญนาคุตตาว่าเขาทุกเตีก็เลยที่เขาไม่ พอก็เห็นมะควางแล้วจะค่อยกลืนมาคว่างจะคิดยังไงค่อพอก็เห็นมาคว่างก็ดีที่เขาไม่เอาไม้มาฟ้าแล้วถ้าเขาไม้หมาฟ้าท่านจะคิดยังไงพอก็หมาฟ้าก็ดีที่เขาไม่พอมีมาแทงแล้วถ้าพมีมาแทงท่านจะคิดยังไงพอมีมาแทงก็ดีที่เขาไม่ฆ่าให้ตายเอวิชาก็เลยถาม คำถามสุดท้ทายก็คเขาข่าทั้งตายท่านจะว่าอย่างไรพราะงั้นก็ก็ตอบว่าเนี่ยเขาบางคนบางคนนี่อยากตายกาาต็ต้องไปหามีดมาทําร้ายตัวเองหรือต้องไปเจ้างคนมาฆ่าถ้าเป็นอย่างที่พระพุทธองค์ว่าเนี่ก็ดีเหมือนกันนะคือไม่เหนื่อยไม่ยุ่งยากคุณเจา ก, ก็แล้วนยยี่ย่าพระปุณณนับไปก็ปรกว่าสามารถที่จะไป ทักชวนให้คนตระหนักต่างมีมานับถือก็แล้กันนับไตรนะสำหรพระพุทธนะก็เป็นพระอรหันต์อันนี้ก็เป็นการมองโลกคือการมองว่าอะไรเกิดขึ้นกับเรามันดีทั้งนั้นอย่างน้อยก็ดีที่มันไม่ใย่ไปก่อนนี้เป็นมะเร็งก็ยังดีนะที่ไม่ได้เป็นอย่างไม่ได้เป็นอย่างกล้ามเนื้ออ่อนแรงที่บาดกระซา เป็นแมนสมองก็ดีที่ไม่เป็นแมลงมดลูกเป็นแมลง ม, ม, มดลูกก็ดีที่ไม่ได้เป็นอย่างแพรว่านอนปิดเตียงมือหีุดมองแต่น่าจะเป็นอย่างคพรนั้นนะเธอก็อยังสามารถจะมองเห็นะข้อดีหรือประโยชน์ว่าทุกมันก็ดีเหมือนกันนะทุกมันดีกว่าสูขทุกอย่างเพราฉนัถ้าเรามองแบบนี้นะไม่ว่าเราเจออะไรก็ มันทุกข์ยากนะมันทุกข์ใจยากเพราะฉะนั้นเวลาเนี่ยสุกหรือทุกคนเราเนี่ยเมือ่อเห็นว่าอะไรเกิดขึ้นกับเราแต่ื่นที่ว่าเรามองมันยังไงหรือเรารับรู้แตมันอย่างไรถ้าเรามองไม้เป็นนะมันก็เป็นทุกข์นะแต่ถ้าเรามองเป็นใจก็สุขได้ อันนี้หน้าภาษาเลยนะกับความเครียดกับความฟุง้งถ้าเรามองเป็นมันก็มีประโยชน์ถ้าเรามองเป็นเนี่ยเห็นประโยชนของมันเนี่ยเราก็ยอยู่กับมันได้โดยใจไม่ทุกข์ความเบือ่อความเซ็งมันไม่ทำทุกข์สร้างความทุกข์กับเราแต่เป็นพราเรามองมันไม่เป็น เราเขียวข้องอมาไม่ถูกทำไมาก็ที่หลวงพ่อชาเนี่ยบอกว่าเนี่ยเสียงเนี่ยมันไม่รบ ก, กวนเราเราต่างหาที่จะรบ ก, กวนเสียงความฟุ้งก็ไม่รบ ก, กวนเราเราทําหาที่จะรบ ก, กวนความฟุ้งความเบื่อมันก็ไม่ได้รบ ก, กวนเราเราไปรบกวนความเบื่อมาร็งก็ไม่ได้รบกวนเราเราไปรบกวนมริน มาเร็งมาเพื่อรบ ก, กวนร่างกายแต่ไม่ไรบกวนจิตใจแต่ก็ราไปเป็นศัตรูไปบนกลดามมาเริงผักสายมาันเจาเอนี่แะทุกข์เหมือนที่กันก็บอนกนะว่ามาเร็งเมื่อทำให้รอยยิ่งคุณหายไปใช้ความทุกขใจนานๆ้ทุกใจเราก็ไม่ยอมรับจิตมันผักสาย ลองศึกษานะลองใคร่คนดูดีๆใช่แล้เพราะว่านในการปรับเปลี่ยนมุมมองหรือว่าการปรับที่ใจเราเนี่ยมันมันช่วยได้เยอะทีเดียวแม้แต่กิกเลสเนี่ยหลวงพ่อช้างเคยกลัวเนี่ยการภาวนาไม่ใช่หยีกิเลสแต่ไม่ใช่กิเลสมนีธรรมเราแต่เราต้อง รู้จักอยู่กับกิเลสจึงมีสติแล้วเราก็จะได้เห็นประโยชนของกิเลสถ้าเรามีสติ ด, ดูมันเพกิเลสก็สอนใจรักให้กับเราได้ไมว่าความโลภ ค, ความโกรธตัญหาราคามันสอนใจรักให้กับเราได้พราะมันก็ตกอยู่ภายใต้ อนิจจังทุกของอังและต่ตางกันถ้าปรับมุมมองก็ปรับใจของเราให้ดีในทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราก็จะกลายเป็นมีประโยชน์ภาวนาเพื่อเราได้เรียนรู้อยู่ที่ว่าเราจะเรียนรู้เป็นไหมหรือว่าเราที่ว่าเราจะเรียนรู้อย่างเต็มที่หรือเปล่าชวาวเ น, น็ตหัวทอมยินนะฝากคอมท์